พระธรรมเทศนาแผ่นที่96ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่29กรกฎาคม2559มีชื่อเรื่องว่าดูแลพระป่วยขอบุญช่วยอย่าให้เข้าโรงพยาบาล วันนี้เป็นวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2559วันนี้พระของเรามีท่านจารันะมาจากวัดรวมธรรมมาร่วมบิณฑบาตด้วยวันนี้พระ47ในวัดเราแล้วก็ลงมาฉัน43สไม่มาฉันงดฉันสี่รูปวันนี้ วันนี้เมื่อหลวงพ่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะก็ไม่รีบเท่าไหร่วันนี่ยทำธุระไปในวัดอะไรเสร็จเรียบร้อยก็คงจะออกเดินทางไปลงไปกรุงเทพไปขึ้นเครื่องที่อุดอรแล้วก็คงจะถึงถึงกรุงเทพแล้วก็วันเสาร์ วันพรุ่งนี้จะไปฉันที่จิตโพจนาจิตโพจนาปากของขุนหลวงกลุ่มคณะสัตย า, าติโยมอยู่ในกลุ่มนี้ครัแถวบางเขนแถวใกล้สนามบินกลุ่มนี้ครักลุ่มใหญ่นะไปแต่ละครั้งขอเยอะสัตธาญาติโยมลูกหลานและก็วันที่สาอฉันทสวนแสงธรรมแต่ตอนเย็นจะมี ไหพระสวดมนต์ทำวัดเย็นที่สวนแสงธรรมแล้วก็ดูเหตุการณ์ซะก่อนว่าหลวงพ่อจะปารบเองหรือว่าจะนิมนต์ธรรมเทศนาขององค์หลวงตาแสดงธรรมหลวงพ่อไปแต่ละครั้งหลวงพ่อดูบางทีนานๆไปเราก็จะพูดปรารบเรื่องราวอยาอันไหน สัตยาญาติโยมทางกรุงเทพจะได้รับรู้รับทราบหลวงพ่อก็ได้เรียนให้คณะสัตยาญาติโยมทราบแต่ถ้าหากว่าบางครั้งหลวงพ่อก็เปิดพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาแสดงธรรมให้โปรดลูกหลานแต่ผมหลวงพ่อเองก็เคยได้พูดพูดบอกว่าตามปกติธรรมเทศนาของหลวงตาในสถานในวิทยุเสียงธรรม เพื่อประชาชน 107.25 เมกะเฮิรตที่สวนแสงธรรมก็เปิด24ชั่วโมงรอนนั้นหลวงพ่อเองจึงไม่วิตกกังวลว่าทำไมไม่เปิดเทศหลงตาทุกครั้งเพราะว่าเทศหลงตานะ่มีอยู่แล้วเทศทุกครั้งอยู่แล้วทุกคืนอยู่แล้วตอนนั้นหลวงพ่อ น, ะนานนานไปเดือนหนึ่งไปครั้งหนึ่ง มีอะไรหลวงพ่อจะได้พูดได้กล่าวให้ในปัจจุบันให้คณะสัตยาญาณโยมได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าขณะนี้พวกเราอยู่ยังไงสภาพอย่างไรอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนะั้นหลวงพ่อจึงไม่วิตกกังวลว่าทําไมไม่เอาธรรมเทศนาของหลวงตาโปรดเทศเทศญาติโยมเพราะเป็นสวนแสงธรรมพระตามปกติก็ 365วัน24ชั่วโมงก็เป็นธรรมเทศนาของหลวงตาอยู่แล้วที่สวนแจงธรรมเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่วิตกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ให้ความเคารพในองค์หลวงตาเราเคารพสุดๆอยู่แล้วแต่พวกเราควรจะมีศรัทธาญาติโยมอยู่ต่อหน้าก็น่าจะมีอะไรแสดงความคิดเห็น ช่วคู่ช่วขณะช่วงเวลาหนึ่งให้พวกเราเข้าใจในี่แหละวันเย็นวันที่30จะมีไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมเทศนาที่สวนแจ้งธรรมแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิด้วยในสวนแจ้งธรรมในเย็นนั้นพรุ่งในเช้าของวันที่31ก็จะมีการ รับบิณธาบาทที่สวนแสงธรรมเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเราจะมีการทอดผ้าป่าหาทุนหาทุนสมทบให้กับสวนแสงธรรมเพราะสวนแสงธรรมก็มีความจําเป็นจะต้องได้ใช้จะตุปัจจัยค่าสถานีวิทยุด้วยค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าบารุงรักษาไปอยู่ที่ไหนมันก็ต้องมีหละข่า ความบำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟค่าคนดูแลค่าสำรู้ชุดโทมของเสนาธนะจะต้องมีการซ่อมแซมดูแลจะต้องมีปัจจัยส่วนนึงอันนี้ของประจําเดือนปัจจัยประจําเดือนก็ต้องมีการทอดผ้า ป, ป่าบางเดือนก็ได้มากบางเดือนก็ได้น้อยแต่ถึงยังไงก็ต้องสวนแสงธรรมต้องอยู่ได้นะ นี่แหละงพ่อลงไปแต่ละครั้งเขาพยายามมองดูจุดนี้อีกเหมือนกันแล้วก็วันที่หนึ่งลุงพ่อคงจะขึ้นมากลับขึ้นมาคงจะมาไม่ถึงวัดนะลูกหลานนะคงจะไปพักค้างที่วัดของจารยนะ์รัตนวัดรวมธรรมอำเภอเพนไปพักค้างอยู่ที่นั่นแล้วก็วันที่2องตอนเช้าบินไปบินทาบาทที่อุดรเพราะทาง ตำรวจท่านผู้บัญชาการภาคได้ยินว่าท่านจะกนเกษียณท่านจะมีการทอดผ้าป่าหาทุนให้กับตำรวจอุรานเกี่ยวกับได้ยินว่าท่านผู้กำกับนายวงท่านบอกว่าอำเภอจังหวัดอุรานของเรานี่คดีความมันเยอะมันล้นล้นสพเมืองกันเลยจะขยายเป็นสพนะ่าเอ งวยหลวงสพ น, นสูงสอพ อ, อะไรเนะี่ยในระแวกล้อมรอบของเมืองอุดอรนั่นะแต่ก็ตกออกมาแล้วก็ยังควรจะหาระดมทุนจากกลุ่มต่างๆช่วยๆกันทั้งให้เป็นสพให้เป็น ท, ที่ทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อพิทักษ์ชั้นตีราชุลุ่มของพี่น้องประชาชน หลวงพ่ออืมเอาก็คงจะฉันที่ทราบข่าวว่าจะฉันที่ราชพัดนออะไรนะถ้าฉันที่ที่สพอเมืองที่มันแคบไปหลูกพ่อเออเอากลับทราบแต่นั่นแหะถึงวันนั่นแหละเอจะไปที่ไหนฉันที่ไหนก็คงจะรู้กันปีน้องชาวอุดรแล้วก็กลับมาถึงวัดแล้วก็วันที่ห้าเนี่ยท่านเพออ โรงพยาบาลศูนย์ของเราอุดรของเราพร้อมกับพยาบาลหมอพยาบาลว่าจะมีการทําบุญกับให้กับโรงพยาบาลบุญทบุญประจําปีอุทิศสวนกุศลส่วนหนึ่งและก็พร้อมกันกับเป็นการทําบุญทอดผ้า ป, ปา่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลสงฆ์สงอาพาธโรงพยาบาลอุดรธานี ที่ตึกของหลวงตานะตึกชั้นล่างของหลวงตาก็คงจะนิมนต์พระไม่มากเท่าไหร่เพราะสถานที่จํากัดปีนี้ไม่ได้ทําใหญ่เหมือนกับปีปีแรกนะแต่สั่งฟังฟังดูแล้วแต่ถึงยังไงก็มีการทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล ส, ส่วนหนึ่งหลวงพ่อก็เห็นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าโรงพยาบาลเราก็รู้คนเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เขาไปล้มตายบางทีวิญญาณพอไปจุที่นั่นไม่รู้จะไปทางไหนหลงทิศหลงทางพวกเราก็ไปทำบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณใดก็ตามถ้าหากว่าตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ข อ, ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ข อ, ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พยาบาล ขอให้ท่านไปสู่สุคติของท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วนะใ้พวกเราก็ทำบุญเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณที่ผู้ล่วงลับไปในโรงพยาบาลหลวงพ่อกอ็เป็นผลดีส่วนหนึ่งที่เรานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในธรรมเทศนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเร า, าตายแล้วไม่สูญ ตายแล้วเกิดวิญญาณมีจริงพบหน้าชาติหน้ามีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีไปสู่สุขคติทำชั่วไปสู่ทุกขติ เ, เหมือนกับในปัจจุบันถ้าใครคิดดีทำดีคนนั้นก็จเจริญงอกงามในหน้าที่การงานซบซบัซบ์สมบัติก็รุ่งเรืองถ้าใครทำชั่วในปัจจุบันนี้กนะเป็นที่ติฉินดินทา จากนั้นก็เป็นที่ติดทุกข์ติดโทษติดคดีเขา้ขาคุกเขา้าตารางไปถึงโทษประหารอันนี้คือโทษหนักเนี่ยมันเป็นไปได้นี่เรียกว่ากรรมชั่วจะไม่มีได้อย่างไรกรรมดีจะไม่มีได้อย่างไรกรรมดีและกรรมชั่วมันเดินไปคนนละทิศทางกันอยู่แล้วกรรมดีเดินไปทางทิศตะวันออกกรรมชั่วเดินไปทางทิศตะวันตกมันแยกกันกรรมดีกับกรรมชั่ว เพราะนั้นพวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้านับถือเรื่อมใส ว, ว่ามีเหตุผลเป็นหลักเหตุผลถูกต้องเพราะนั้นเราจรึงในรวมร่วมกันทาบุญทิสโศนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณกับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณในระวันที่ห้า พวกเราคณะสัตย า, ย, ยาญาติจมลูกหลานทุกคนเนี่ยได้รับรู้รับทราบร่วมกันแต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็นุ่นไปจัดผ้าป่าทางโรงพยาบาลศรีนครินก ว, วันณที่ห้าและวันที่เจ็ดเดือนมิถุนากระทอดผ้าป่าหาทุนให้กับสงอาพาธโรงพยาบาลศรีศรีนครินขอนแก่นการนั้นก็จบไปแล้วนะแต่เนี่อุดอรของเราก็ มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนย่อยแต่ถึงยังไงก็ตามก็จําเป็นที่ต้องได้ใช้จตุปัจจัยเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธถึงเมื่อคว้าคราวจาเป็นแต่นี่เราเพิ่งตั้งไข่นะคือตั้งไข่แค่แบาเริ่มมาปีสองปีก็ยังการดําเนินงานก็ยังยังทายจาว่าไปแล้วก็ยังไม่เข้ารูปเขารูปเ ข, า ร, ปเขารอยยังเออ ว่าทไเราเราจะเดินอย่างไรแต่ที่อย่างไรเอาตัวอย่างเราก็พยายามเอาตัวอย่างศีนครินทร์ขอนแก่นนะั่นนะมาเป็นแบบอย่างแต่ว่าตัวนั้นบุคลากรเขาพร้อมเพราะเป็นโรงเรีรเรยนแพทย์การรักษาผู้คนก็ไม่หนานแน่นเหมือนกับอุดอรของเราโรงพยาบาลอุดอรของเราเยโรงพยาบาลศูนย์ใครๆก็ส่งเข้ามา เพราะนั้นแพทย์กับหมอเนี่ยรับเละแต่โรงพยาบาลสีนักเรียนเนี่ยเขาแยกรับได้เป็นอาจารย์หมอเขาจะรับขนาดไหนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาแพทย์ก็เยอะเพราะฉะนั้นบุคลากรของเขาพร้อมกว่าเราจะเราจะไปตำหนิที่เดียวว่าโรงพยาบาลสูตรอุอรานของเราไม่ให้บริการดีจะพูดอย่างนั้นทีเดียวหลวงพ่อก็ยังไม่พูดที่นั้นทีเดียวแต่ถึงยังไงก็ขอให้ ท่านพ่ออที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยนะกับคณะพยาบาลหมอทุกคนที่เป็นลูกหลานชาวเมืองอุดรเป็นลูกศิษย์ลูกหาองค์หลวงตาถือยังไงยังไงก็ขอฝากไว้กับคณะแพทย์คณะหมอทุกคนให้ช่วยดูแลพระสงฆ์อาพาธเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งเป็นแหล่งบุญแหล่งกุศลส่วนหนึ่งที่พวกเราได้ดูแลพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านกว่าดูก่อนสง์ทั้งหลายถ้าผู้ใดใครผู้ใดอยากปฏิบัติเราตถาคตปนนิบัติเราตถาคตให้ดูแลพระภิกษุไข่ดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธพระภิกษุไข้ผู้สงศิณบุญกุศลมีอานกสง์เท่าเท่ากันกับดูแลตถาคต อันนี้พระพุทธองค์ท่านก็ตรัสไว้ในครั้งพุทธกาลาะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสไว้คำใดต้องเป็นคำนั้นหนึ่งไม่มีสองถ้าเราเชื่อในธรรมคำสอนของพุทธะเราก็ดูแลช่วยๆกันดูแลพระสงฆ์อาพาธให้ใส่ใจด้วยแต่ก็ไม่ให้เกินไปหรอกเพราะพระสงฆ์ก็คือพี่น้องประชาชนนั่นแหละแต่ก็ให้เกียรติเพราะท่านเป็นผู้ทรงศีล ถ้าจะให้นั่งปะปนกับฆรวาสญาติโยมกยังไงอันนี้ก็ขอฝากฝากไว้กับคณะแพทย์คณะอาจารย์หมอทั้งหลายทั้งปวงที่ที่ไม่ได้มาอนะที่ไม่ได้มาก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดเนี่ยขอฝากไว้กับทุกคนกับทุกท่านนะั่นแหละอันนี้ก็คือหมู่นิธิที่หลวงพ่อได้ตั้งขึ้นมา แต่หลวงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันถ้าครบเดิวถ้าครบเดิวคือว่าครบสี่ปีที่จะถึงนะ่ะหลวงพ่ออาจจะมอบให้กับ เ, เป็นชื่อตั้งชื่อใหม่เพราะชื่อเดิมนนชื่อว่าูมนิธิพระอาจา ร, รย์อินถวายสันตสโกเพื่อดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีถ้าต่อไปหลวงพ่อก็คงจะเปลี่ยนชื่อ มูลนิธิหลวงตามหาบุญธรรมปันโนเพื่อดูแลสงอาพาธอันนั้นเหมาะสมที่สุดนะเพราะอะไรเพราะว่าหลวงตาเป็นร่มโพร่รมไสของลูกหลานพระเนนทุกองค์แต่หลวงพ่อทำไมถ้ามีคนถามทำไมไปหาเสือกเอาซื่อเจ้าของลงถ้ามีคนถามอย่างนั้นหลวงพ่อก็มีคำตอบขึ้นมาว่าเพราะว่า เราพูดประชุมการจะตั้งมูลนิธิก็ให้คณะแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์นั่นแหละเข้าไปหาคุณแม่จันดีเขาไปหาตระกูลขององค์หลวงตาบอกว่าขอชื่อหลวงตาเพราะตามปกติเขาจะไม่ให้นะถ้าถ้าจะตั้งมูลนิธินี่จะเอาขอชื่อใครเนี่ยต้องเข้าไปขอเขาไปขอตระกูลของเขาตระกูลนามสกุลของท่าน แต่ไี่เข้าไปขอทั้งก็บอกโอ้ไม่กล้าให้ละหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วมนูนิธิเนี่ยพอตั้งขึ้นมาแล้วก็จะมาแผลมาขอมาเรี่อะไรทําให้เสียเกียตรติประวัติขององค์หลวงตาเนี่ยยังให้ไม่ได้ไม่กล้าให้แล้ะไม่กล้าอนุญาตแต่หมอทั้งหลายก็เลย ห, ห, หน้าม้อยกลับคืนมาแล้วเอาอยัางไงหลวงพอ่อเออเอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเอาเอาชื่อหลวงพอ่อใส่ก็แล้วกัน หลวงพ่อดูดูอยู่จะขายกินยังไงหลวงพ่อก็รู้อยู่ก็เลยตั้งชื่อหลวงพ่อเข้ามาทดแทนไว้ก่อนแต่ถ้าว่าเขารูปเขารอยแล้วดูแล้วเป็นหมนิธิที่มีประโยชน์กับพระสงฆ์ทั้งหลายเราก็ควรจะขอร้องกับลูกหลานของท่านให้ตั้งชื่อว่าเป็นหมนิธิของหลวงตาเพื่อเป็น ร่มโพร่มใสของลูกของหลานของเมืองอุดร น, นานเท่านานนะหลวงพ่อก็คิดอยู่นะลูกหลานนะอันนี้ให้ฟังเอาไว้หลวงพ่อพูดไป็นูกกี่ครั้งแล้วละ่ะเตีองมู่นิธิหออพิบาลสงของจังหวัดอุดรโรงพยาบาลศูนย์อุดรของเราเนะนีนะ่ยนั่นแหะแต่ถ้าว่าเราต่อตาไปตั้งขึ้นมามันก็มีประโยชน์ประโยชน์กับพระสงฆ์มีมากที่เดียว บางทีพระเก็บไข้ได้ป่วยเราก็ได้ลงมติกันออมอบให้พระสงฆ์ที่เป็นโรคร้ายโรคมะเรง็งที่จะต้องได้ใช้เงินมากเราเงินก้อนนี้กัเพื่ออะไรกัเพื่อดูแลพระสงฆ์นั่นแหละมาในดูแลหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินบูทบอกแล้วพูดเีงว่าดูแลพระสงฆ์ด้วยอาณาสงฆ์ในการทําบุญ การประกอบคุณงามความดีการให้ช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยโรงพยาบาลทุกอย่างตึกสงอาพาธเวลาข้าพเจ้าเจ็บใข้ได้ป่วยอย่าให้ข้าพเจ้าได้เข้าโรงพยาบาลถ้าจะไปก็ให้ไปไง่ายๆอย่าได้มีโลคาพยาธพอถึงคราวแล้วก็ให้หยุดลมหายใจไปจบๆไปถึงอย่างไงหลวงพ่อคิดว่าจะไม่อยู่โฉบว่าดินสลาย อีกสักวันหนึ่งตายแน่ๆภ า, าวนาไว้ในใจถึงว่าตายแน่ๆเออแล้วก็เป็นความจริงอีกต่างหากไม่ได้คิดสงสยัยแม้แต่น่อยเดียวแว่าตัวเองจะไม่ตายแต่ถึงยังไงก็เถอะนะก่อนที่จะตายนะก็จะประกอบคุณงามความดีฝากคุณงามความดีไว้ในแผ่นดินฝากคุณงามวัมนดีไว้ในประเทศชาติสิ่งไหนที่มันชั่วสิ่งไหนที่มันไม่ดี ถ้าตัวเองมองไม่เห็นคณะจตหาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกคนทุกหมู่เหล่าก็ให้ทวงติงมาอแต่ไปอย่าไปบใส่บัตรสนเทเท่านั้นแหะถ้าบัตรชนเทนยแปลว่ายาไม่มีอยอยไม่น่าเชื่อถือจดบัตรสนเทไปว่ายาไม่มีอยอยถ้าใครบริโภคยาไม่มีออยเนี่ยตายได้จะไปพออ้ออันนี้ก็เหมือนกันใครไปเชื่อ ใครไปเชื่อบัตรสนเท่น่ะตายจิบหายด้วยการบดเนี่ยเพราะอะไเพราะยายาไม่มีออยล์ไม่มีใครรับรองจดหมายบัตรสนเทก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีใครรับรองเนี่ยเราจะไปน่าเชื่อถือได้ยังไงเหตุไมละ่ะบางคนชอบนะเวลาเขาบัตรสนเทเขาด่าคนนั่นีนฟังอฉาใจจริงๆริงที่แท้เราไปฉ้าใจทาไมราวะ บัตรจนเทพไม่มีอยอใช่ไหมไม่มีชื่อของเขาถ้าแน่จริงมัมีชื่อได้ลงชื่อเลยสินายนี่นามสกุลนี้ลงชื่อเลยกลัวทําไมเรากล้าแดงแล้วก็กล้าพูดแล้วก็ต้องกล้ารับรองในจดหมายฉบับนั้นอันนี้มันไม่ช่างกันอันนี้แค่แค่ว่าพวกหมารอบกัดพวกหมาป่าต่างหากไม่ใช่หมาธรรมดานะเพราะนั้นเราไม่น่าเชื่อถือนะ พวกหมาบ้านะไม่น่าเชื่อถือมันจดหมายไม่มีอยอเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ให้ฟังพอหลวงพ่อเคยโดนมาเป็นลูกกี่ฉบับหลวงพ่อเลยไม่มีโอกาสที่จะพูดมาเขาเนี่ยเลยพูดพูดพูดให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษานะอะตอนนี้ไปพระสองฆ์อนุมโมตนาให้พอในวันนี้นะ